แต่เช่นอย่างคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราเราสุขุมรอบครอบพอไหมเราละเอียดพอไหมอะไรไหมเราอยู่กับคําสอนไหมใจของเราเป็นไปตามคําสอนได้ไหมอ้างอิงได้ไหมอธิบายตอบใจจนเคลียร์ใจตัวเองเลยไหมถ้าอย่างนั้นจริงก็ไม่เป็นไรนะถ้าเคลียร์ใจตัวเองได้สําเร็จก็โอเคแต่ถ้าเคลียร์ใจตัวเองไม่ได้มันก็ อ, อะไรนะยังแบบ อึมครึมอ่ะนะแม่อึมครึมเหลือเกินเนี่ยไม่ใช่อึมครึมอึมครึมรตอนเที่ยงคืนคืนเดือนมืดวันฝนตกไงนะโอ้โหจะขนาดไหนนอเนี่ยนะแล้วก็จริงๆแล้วก็ไม่ง่ายที่จะแทงตลอดเมื่อไม่แทงอ่ะยากที่จะแทงตลอดทําไงพูดถึงว่าบางท่านเนี่ยนะเขาถือเอาธรรมจักรกับประวัติศาสตรเป็นหลักเขาคิดทุกคําที่เป็นบทความในธรรมจักรเนี่ยนะ ตางอย่างไรชื่อว่าการมัสสุขัลลิกานุโยกนะนพยายามจริงนะถ้าใครที่อยากจะถือเอาแบบข้อปฏิบัติที่คิดว่าต้องไม่พลาดเลยจริงๆถือเอาธรรมจักนั่นแหละอย่างไรชื่อว่าการมัสสุขัลลิกานุโยกอธิบายตามคําสอนให้หมดเลยอย่างไรชื่อว่าอตตะกีละมัฐานุโยกอย่างไรชื่อว่ามัชมมชิมาปฏิปทามัชชิมาปฏิปทา ประกอบไปด้วยอะไรบ้างถ้าเจริญมัชฌิมาปฏิปทาแล้วอ่ะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยนะอันนี้ต้องทําความเข้าใจแล้วแล้วสัมมาทิฏฐิรู้อะไรสัมมาสังกัปปะเป็นต้นรู้อะไรแล้วทุกสมุทัยนิโรธมรรายละเอียดของทุกเป็นยังไงรายละเอียดของสมุทัยนิโรธมรรัยละเอียดของสมุทัมม ย, ย, ยทนิโรธมรมัลรรยล่เอียดาองสมุทัยนิโรธมรรัยละเอียดของสมุทัยนิโรธมรอัยละเอียดของสมุทัยนิโรธมรรัยละเอียดของสมุทัยนิโรธมรรัยละเอียดขอ เพรความในธรรมจักอยู่ในชีวิตจริงหรือว่าอยู่ในกระดาษสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะสอสเสือมหานกกาศบอมา้าสองตัวสะอาขอทหารสระเอแล้วก็ต่อประตักขอสันฐานสะเออีกทีนึงมันแค่นั้นหรือเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะแล้วไอจ้จริงๆแล้วอย่างไรชื่อว่าสัมมาทิฏฐิที่อยู่ในชีวิตของเราไม่งั้นเราไปเรียนตัดเว่นมาแล้วเอาเว่นมาวางโชว์แล้วบอกมองมันก็เห็นอย่างนั้นะมันก็ไม่หวแล้วมันคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนกับเว่น มันก็แว่นตาเนี่ยนะที่สวมแล้วทาให้เห็นความจริงเห็นอริยสัจซึ่งเป็นความจริงแล้วเราจะเห็นอริยสัจได้อย่างไรถามตัวเองไว้อย่างนั้นบ่อยๆถามไว้บ่อยๆเถอะมันยังไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเชื่อไหมลหลายๆคนที่เขาตอบโจทย์ได้เนี่ยแม้กระทั่งนักวิทยาศาสตร์เองก็เหมือนกันคนที่ทดลองเรื่องหลอดไฟฟ้าเนี่ยเขาคิดอยู่เป็นวีวีคิดอยู่ตั้งนานเนี่ยนะกว่าจะคิดทฤษฎีว่าทํายังไงหลอดไฟมันจะสว่างขึ้นมาได้ แล้วก็หาข้อมูลองค์ประกอบเราก็เหมือนกันเราก็ตั้งเป้าว่าเราจะเห็นอริยสัจได้อย่างไรจะรู้อริยสัจได้อย่างไรต้องมีข้อมูลแค่ไหนรู้อริยสัจ ร, รู้ว่าอย่างไรแล้วก็ตั้งเป็นโจทย์แล้วก็หาข้อมูลประกอบไปเรื่อยๆในที่สุดก็ประสบความสําเร็จแต่ก็ต้องใช้เวลาหน่อยเนี่ยนะแต่เราต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่เราจะตรัสรู้่คืออะไรอย่างพระพุทธศาสนาทั้งหลายที่ท่านปฏิบัติจนได้ตรัสรู้่ท่านมีโจทย์ไว้อย่างชัดเจนนะช่ไหอย่างสูตรเนี่ยชัดเจนว่า กุสลังเขเวสิงเนี่ยนะกิ่งกุสลังเขเวสิงอย่างไรชื่อว่ากุศลแล้วก็สแสวงหาสันติวรบทเนี่ยนะสันติบทที่สงบไม่มีบทอื่นยิ่งไปกว่าแล้วก็ตั้งตั้งประเด็นตั้งเต้าอยู่คิดอยู่แค่เนี้ยอะไรคือกุศลอะไรคือพระนิพพานอะไรคือกุศลอะไรคือพระนิพพานสิ่งที่เราคิดนี่หรือคือคือพระนิพพานท่านก็ตั้งโจทย์ของท่านท่านตั้งโจทย์อยู่กี่ปี ตั้งแต่นะตั้งแต่อยู่ในวังเนี่ยเห็นเทวทูตท่านก็คิดมากแล้วล่ะเรื่องเรื่องกุศลกับพระนิพพานเนี่ยท่านก็คิดเยอะตอนออกบวชแล้วก็จนได้ตรัสรู้แล้วก็เที่ยวสอนผู้อื่นก็สอนแต่สิ่งเหล่านั้นสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้คือทุกขเพื่อการกําหนดรู้สมุทัยเพื่อการละนิโรธเพื่อการทําให้แจ้งอริยมรรคเพื่อการเจริญนั้นอริยศาสตร์เนี่ยมันจึงมอง4ด้านไม่ได้มองด้านใดด้านหนึ่งหรือเหลี่ยมใดเหลี่ยมหนึ่งเหมือนกับกระจกสี่ด้าน หรือมองมองทุกอย่างมองสี่มิติเนี่ยนะแล้วก็แต่ละมิติมีรายละเอียดอย่างเยอะแยะท่านการเห็นอริยสัจธรรมการพิจารณาอริยสัจธรรมต้องต้องลักษณะนั้นแต่ถ้าง่ายจริงพระองค์ก็ไม่บอกว่ามันยากเนี่ยนะที่ยากอันหนึ่งเลยเนี่ยก็คือว่าคนที่ไม่ได้ทําบุญและตั้งความปรารถนาโนม้มเรียกว่าอะไรนะโอนใจของตัวเองไปเพื่อให้ปัญญาเกิดเนี่ยธรรมะนี่มีอยู่ศัพท์หนึ่งก็ว่าโอปะนเยโก ควร น, น้อมเข้ามาในใจตนเราก็บอกว่าเออเนี่ยเราจะต้องเจริญอริยมรรคนะเราต้องเจริญอริยมรรคนะต้องน้อมจิตเนี่ยให้จิตเป็นไปกับอริยมรรคแล้วใจของเราต้องน้อมไปสู่พระนิพพานนะใจของเราต้องน้อมไปสู่พระนิพพานนะพระนิพนพานคืออะไรเ น, นี่ยนะนิพพานคืออะไรใจของเราต้องน้อมไปสู่นิพพานใจของเราต้องน้อมไปเพื่อเจริญอริยมรรคต้องบอกคุยกับใจตัวเองเนี่ยเยอะมากเลยนะจนกว่าใจจะยอมรับคุณธรรมเหล่านั้น นะพร้อมกว่าใจจะยอมรับคุณธรรมเหล่านั้นแล้วก็เสริมสร้างคุณธรรมเหล่านั้นเนี่ยบ่อยๆเยอะๆมากๆอธิษฐานสมาทานไปเรื่อยๆเนี่ยนะจนกว่าคุณธรรมเหล่านั้นจะเต็มเปีย่ยมนั้นความรู้ข้อมูลนั้นจึงเป็นตัวที่สําคัญมากเลยนะนะวัตถุดิบคือคําสอนเนี่ ย, นะ ย, ำ ส, ยสำคัญมากที่จะมาแปรรูปให้เป็นศรัทธาเป็นสัมมาทิฏฐินะเป็นสัมมาสังกัปปะเป็นอริยมรรคซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่จะทําให้เรา ตรัสรู้เนี่ยนะซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่จะช่วยให้เราพ้นทุกเนี่ยนะอันนี้แหละเป็นกิจที่พระองค์บอกว่าควรทําด้วยความไม่ประมาทอย่าประมาทนะเพราะถ้าประมาทอีกก็เฝ้าวตัตตะต่อไปเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้ตรัสรู้เนี่ยจากการที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยชื่อว่าเรามีโอกาสอย่างน้อยโอกาสสร้างสมบุญบารมีที่จะให้ตรัสรู้ต่อไป ถ้าไม่สามารถตรัสรู้ได้ในพบนี้อย่างน้อยก็เป็นการสร้างบุญสร้างบารมีสร้า ง, าางอุปนิสยัยสร้างอัธยาศัยให้เราได้ตรัสรู้ต่อไปในอนาคตเนี่ยน ะ, ะซึ่งพระองค์ก็ทบทวนนะว่าอยากจะบอกว่าพระองค์เนะี่ยยืนยันว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยเป็นธรรมที่ตรัสรู้ได้โดยยากและความพุทธพจน์ตรงนี้นะพุทธพจน์แบบนี้เนี่ยมีอยู่ในพระวินัยก็มีะนะพระวินัยมหาคันธกะก็ยกข้อความอันนี้มา ในทีคณิกายก็มีทีคณิกายเนี่ยมีอยู่ในมหาประธานสูตรเนี่ยนะที่พระวิปัสสีน้อมไปเพื่อไม่แสดงธรรมแล้วก็ในเนี่ยมัชฌิมนิกายก็ปาสราสีสูตรแล้วก็มียังยังมีอีกข้อความในลักษณะนี้เนี่ยนะที่พรหมอาราธนาในสังยุตตนิกายก็คือพรหมสังยุตเนี่ยนะที่เท้ามาหาพรหมอาราธนาให้พระองค์แสดงธรรมมันแสดงว่าพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นั้นเป็นพระธรรมที่ตรัสรู้ได้ยากยากมันเป็น เป็นเรื่องที่สาวกทั้งหลายควรทำด้วยความตั้งอกตั้งใจเนี่ยนะทำด้วยความใฝ่ด้วยความใส่ใจด้วยความไม่ประมาทเนี่ยนะอันนี้เป็นเหตุผลแรกเลยที่พระองค์แรกแตรัสรู้บอกว่าเราไม่ควรสอนใช่ไหมสอนแล้วถ้าเขาไม่รู้เราก็เหนื่อยเปล่าทีนี้ในยะที่สองหน้า4ี่ยสี่ย่อหน้าล่างบอกว่าเมื่อสามบดีพรมทูลอาราธนาพระองค์ก็ทรงน้อมจิตไปอย่างนี้ น้อมจิตไปอย่างนีเพื่ออะไรเพื่อให้พรห ม, มาอาราธนาเนะพราะพระพรหมอาราธนาแล้วพระองค์จึงมีพุทธประสงค์จะแสดงธรรมจรึงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าเมื่อเราน้อมจิตไปเพื่อเป็นผู้มีความขวนขวายน้อยเท้าสัมบดีพรหมก็จะอารัธนาให้เราแสดงธรรม ให้เราประกาศทุกประกาศสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยนะอันนี้หัวข้อนะนนี้เป็นชื่อส่วนรายละเอียดนี่ยังถือว่าใหญ่มากแต่สําคัญที่สุดก็คืออย่าลืมหัวข้อแล้วกันนะนะบางคนเนี่ยเรียนธรรมะไปเนี่ยเรียนไปเรียนมาเนี่ยเรียนลึกไปมากเลยลืมหัวข้อเลยเออเราเรียนอะไรอยู่เนี่ยนะบางทีเรียนจิตเรียนเจตสิกเรียนปริเชดหนึ่งสองสามสเรียนคัมภีโอจบเยอะแยะเลยนั่นแหละจนแค่เรียกว่าหนังสือสูงท่วมหัวลืมเลยว่าเรียนอริยศาสตร์อยู่บางที บอกว่าไข่บอกคนพูดก็ไม่ใช่เบาเหมือนกันนะเรียนไปเรียนมาโอ้เรียนละเอียดหมดมหาภูตรูปหนึ่งเป็นปัจจัยแกมหาภูตรูปสี่โอเรียนจนไมื่รู้มคืออะไรก่อไม่รู้เรียนไปเรียนมาแล้วสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่ไหนเพราะอะไรบอกหลงประเด็นว่าไอเราเรียนอริยศาสตร์อยู่นะเนี่ยนะก็พอหลงประเด็นปั๊บมันก็เหมือนกับว่าลงรายละเอียดจนไม่เห็นอะไรเังนั้นเถะก็เคยได้ยินไม่ภาษาแพทย์ทางแพทย์เขาเรียกว่าอยู่กับคนกอะไรนะมองเห็นคนไม่ใช่คน เขาบอกว่ามองเห็นเป็นอะไรก็มองเห็นเป็นอะไรยังไงนะคนที่เรียนเรื่องเลือดคิดแต่เรื่องเลือดอย่างเดียวจะไม่เห็นเป็นคนออกเห็นแต่เรื่องเลือดนะที่เรียนเรื่องอวัยวะแต่ละส่วนเขาจะคิดอยู่แค่นั้นยิงๆเขาจะไม่มองเห็นคนเป็นคนนั้นเขบอกว่าบุคลากรสายนี้อยู่ด้วยพรหมวิหารไม่มากอยู่ด้วยอยู่ด้วยกายคตาสติที่จะน้อมไปเพื่อเห็นอริยสัจนั้นจึงไม่มากเนี่ยนะก็ถามว่าที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรก็เพราะว่าหลงประเด็นเหมือนกันหลงประเด็นของชีวิตเนี่ยนะเอาไปเอามาก็กลียกลายเป็นอะไร ทำทุจริตกรรมตามที่ต่างๆของร่างกายนี้คนที่ศึกษาธรรมะก็ลักษณะเดียวกันว่าเราต้องไม่ไม่หลงประเด็นไม่หลงประเด็นว่าเราศึกษาทําไมเนี่ยนะศึกษาเพื่ออะไรอยู่ที่ไหนมันคืออะไรเนี่ยโจทย์พวกนี้ต้องไม่เผลอคําว่าไม่เผลอนั่นแหละเรียกว่ามีสัมปชัญญธธะศาสตะสัมปชัญญะประโยชน์ของเราคืออะไรสาระของเราเนี่ยอยู่อยู่จุดตรงไหนเนี่ยนะเพราะว่าอย่าง พระสูตทั้งหลายเนี่ยถ้าเราจับประเด็นได้แล้วเนี่ยเราไปอ่านเองก็พอเข้าใจคําสอนถ้าเราน้อมไปเพื่อจะเข้าใจตามคําสอนให้เวลาหน่อยเราก็พอจะเข้าใจอยู่แล้วเนี่ยนะพระไตรปิฎกสมัยใหม่เนี่ยโยมทั้งหลายมีบุญมากเป็นสมัยที่เมื่อก่อนเลยเนี่ยพระไตรปิฎกอยู่ภาษาบาลีหมดเพราะฉะนั้นแล้วภาษาบาลีเนี่ยนะโยมภายภาคเหนือนี่เห็นชัดเลยหอไตรเนี่ยนะไม่มีบุญหนักสักใหญ่ไม่ได้มีโอกาสขึ้นหอไตรัยรอกได้ดูแต่ลวดลายวิจิตขั้ง ข้างหอไตรเท่านั้นแหละไม่มีโอกาสได้อ่านหรอกและเป็นภาษาบาลีทั้งนั้นเลยแต่สมัยนี้เขาแปลออกมาให้สะสมประสบการณ์ของพระเทรานุเทระสืบมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันเนี่ยนะได้มีการแปลมีการวันเราสามารถที่จะอ่านแล้วก็เป็นภาษาของเราที่เราพอจะรู้ได้แต่ว่าใช้เวลาหน่อยทุกอย่างเนี่ยนะแม้กระทั่งปริญญาเอกก็ไม่ใช่ว่าอนุบาลเด็กสองขวบแล้วไปถึงก็จบปริญญาเลยมันก็ไม่ใช่เราก็ต้องยอมรับว่าเราให้เวลาเท่าไหร่ เด็กๆทั้งหลายในทางโลกที่จนกว่าเขาจบปริญญาเอกเนี่ยถามว่าใช้เวลามาตั้งแต่ยุเท่าไหร่ใช้อนุบาลกี่ปีอ่ะอนุบาลบางทีก็2ปีอนุบาลสาปีถ้าบางทีก็อนุบาลสองก็มีอนุบาลสาก็มีแล้วจบปถมอีกหนึ่ ง, งหมัธยมอีก 1-6 ปริญญาเอกสี่ปีเนี่ยนะปัญญาตีปัญญาโทถ้าเก่งหน่อยก็ปีกว่าหรือ2ปีขึ้นปัญญาเอกก็แล้วแต่สาขาไหนก็ว่ากันไปเนี่ยนะแต่สรุปว่าเรียนตั้งแต่เนี่ยผมดำสนิทดำสลวจนผมสีขาวหลายคนเลยนีนะเปลี่ยนสีเลยาอกจบมาแล้วไปทํามาหาเลี้ยงชีพอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะแต่ว่าไอ้ไอ้กว่าจะเรียนจบมันก็อีกเรื่องนึงไอ้กว่าจะไปเลี้ยงชีพได้ก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็เลี้ยงชีพกี่ปีแล้วก็ตายแล้วเนี่ยนะไม่ไม่ทันกี่ปีเลยบางทีหาสตังค์ยังไม่ทันใช้เลยตายไปแล้วเนี่ย อยที่มันก่อนโยมก็เล่าให้ฟังบอกโอ้คนหนึ่งจบปริญญาเอกมาเลยนะก็ขับรถไปก็ทํางานได้ไม่กี่ปีขับรถศพบาดเหตุตายไปแล้วว่างั้นอ้าวแล้วมันได้อะไรบ้างงานเอาทั้งชาติเลยได้อะไรม้างนี้ชีวิตของเราก็เหมือนกันที่เราศึกษาใช้ดําเนินชีวิตอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราทําไปเพื่ออะไรทําไปทําไมแล้วมันอยู่ที่ไหนเนี่ยนะเรียกว่าซักฟอกตัวเองให้มันชัดเจนแล้วว่าวกําลังทําอะไรทําเพื่ออะไรทํำยังไงเนี่ยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็ ไม่มีโอกาสตื่นเลยก็แสดงว่าหลับตลอดนะนะเขาว่าตื่นมาดูเวลาบ้างซิว่าเวลานี้มันกี่โมงแล้วเนี่ยนะสำนวนอะ่ะเวลานี้มันกี่โมงแล้วก็ต้องรู้จักตื่นบ้างนะเพราะธรรมะเนี่ยพุทธ ศ, ศาสนาอันหนึ่งแปลว่าตื่นพุทธะเนี่ยแปลว่าตื่นว่าต้องตื่นตัวเนี่ยตื่นไม่ประมาทในวัยในชีวิตในอายุในทุกอย่างนะต้องไม่ประมาทเลยแหละว่าอะไรคืออะไรแล้วก็ปรับทัศนคติจนมีความรู้ความเข้าใจเนี่ยนะนะ ย้อนกลับมาเนี่ยนะว่าที่พระองค์น้อมไปเพื่อยังไม่แสดงธรรมเนี่ยเพราะต้องการให้พรหมมาอาราธนาเพราะอะไรเพราะสมัยนั้นหรือสมัยนี้ก็ตามก็ยังสัตว์ทั้งหลายก็ยังเคารพในเท้ามหาพรหมอยู่ยังเคารพในพรหมอยู่เพราะก็ถือว่าพรหมเป็นเป็นผู้สร้างเนี่ยนะเป็นผู้สร้างสัตว์ทั้งหลายขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าพรหมอาราธนาแสดงธรมรมสัตว์ทั้งหลายก็จะมีความคิดว่าธรรมนี้สงบ ธรรมนี้ประณีตหนอะธรรมนี่สงบจริงๆธรรมนี้ละเอียดจริงๆคือถ้าหากว่าธรรมไม่สงบไม่ประนีตพรหมก็น่าจะลงมาบรรยายเองสใช่ไหมอา้าวก็ไปเกิดเป็นพรหมแล้วพรหมก็ลงมาแสดงเองหิวก็ไม่ต้องหิวเหนื่อยก็ไม่ต้องเหนื่อยเสียงก็เพร่อรูปก็หล่อเป็นทั้งเทพพระเจ้ากิเลตันหาอะไรเป็นต้นไม่ครอบงำแล้วพรหมก็ลงมาประกาศอริยศาส์ทั้หมดเรื่องเลยนะทําไมพระองค์พระพุทธเจ้าไม่ไปตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่พรหมมัโลกแล้วจะได้ลงมา ประกาศทมลงมาแสดงธรรมแต่กลับไม่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรพรมต้องอาราธนาให้พระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าต้องไม่ใช่พระเทวดาไม่ใช่เทวดาพระพุทธเจ้าไม่ใช่เท้ามหาพรมแต่ก็เป็นมนุษย์เนี่ยนะแล้วเป็นมนุษย์ที่ปฏิบัติจนได้ตรัสรู้แล้วพรมมาอาราธนาจึงได้ตรัสรู้เนี่ยนะนันแสดงว่าธรรมเนี่ยต้องสงบมากธรรมนี้ประณีตมากสัตว์ทั้งหลายก็จะตั้งใจฟังด้วยดีอันโบราณนี่เขาจะมีคําว่า พรมมาจโลกาที่ปฏิสหมปฏิกัดอันเชลีอันธิวรังอยาจทะเนี่ยนะพรผมก็จะมาอาราธนาทั้นสมัยโบราณเขาจะให้ความสําคัญว่าธรรมะเหล่านี้เนี่ยจริงๆนะสงบจริงๆท่านสมัยก่อนเขายกมือประนมมือแต้เวลาฟังนาำไหมทีนี้มันฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยหลับจริงเลยกันเนี่ยนะประนมมือว่าหลับสับประงกไปบอกว่าพออันนะเอเธอหรือเอวัง สาธุเนี่ยนะสาธุตื่นแล้วเนี่ย น, ะพนยนะะพอดีกันเลยเนี่ยเป๊พอดีกันเนยนะมันก็เลยไปอย่างนี้แหละเรื่องของยากอยู่แล้วด้วยนะธรรมะก็ยากง่วงก็ง่วงว่าเหนื่อยมาทั้งวันเนี่ยนะเหนื่อยมาตั้งหลายวันเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละถามว่าสหัมบดีพรมเนี่ยนะผู้ที่มาราธนาให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยคือใครก็คือพระเทระรูปหนึ่งชื่อว่าสหากะ ถ้าสหากะรูปนี้ท่านเจริญฌานได้ปฐมฌานแต่ปฐมฌานชนิดประณีตไปเกิดในพรหมโลกมีอายุกับหนึ่งเนี่ยนะอายุกับหนึ่งถ้าหากว่าปริษัทชาพรเนี่ยนะจะอยู่มีอายุครึ่งบริษัทชาพรเนี่ยหนึ่งส่วนสี่ของกับทัพปุโรหิตามีอายุครึ่งกับมหาพรมมีอายุหนึ่งมหากับเนี่ยนะก็อายุไขก็ตามนั้นไปทีนี้เท้ามหาพรมก็ ในข้อ322หน้า420ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายครั้งนั้นสหัมบดีพรหมทราบความดำดิของเราก็ได้มีความปริวิตกขึ้นมาว่าพรหมเนี่ยนะเขาคิดคิดแล้วก็เปล่งออกมาเป็นวาจาว่าโอ้โลกาธาตุเชียหายแหลกลานเสียแล้วนเนอนะแล้วก็บอกว่าเสียงที่พรหมพูดนั่นเสียงดังเนี่ยหมื่นโลกาธาตุ เสียงเนี่ยดังแผ่กระจายออกไปหมื่นโลกธาตุว่าโลกชิพหายแหลกลานเสียแล้วหนอเพราะพระตถ า, าคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าตถ า, าคตแปลว่าผู้ที่สร้างบารมีกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าและเป็นพระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นสัพพันยูพระองค์มีพระไถยน้อมไปเพื่อขวนขวายน้อยไม่น้อมไปเพื่อแสดงธรรมถ้าพระองค์คิดขวนขวายน้อยอ ย, อย่างนี้น้อมไปไม่แสดงธรรมอย่างนี้ โลกชีพหายแน่นอนโอกาสของคนทั้งหลายที่จะให้ทานมีไหมโอกาสของคนทั้งหลายที่จะรักษาศีลเจริญสมถะวิปัสนาเจริญปฐมฌานจนถึงสมาบัติแปดโอกาสที่เขาจะบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระสะกท า, าคามีเป็นพระอนาคามีตลอดจึงจนถึงเป็นธาตอาหารโอกาสเหล่านั้นเขาจะได้ไหมโอกาสที่จะเจริญสัมมาประธานอิธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงองค์มัคโอกาสที่จะตรัสรู้อริยสัจ เป็นพระเรียเจ้าทั้งหลายโอกาสเหล่านั้นจะมีไหมก็ไม่มีเมื่อไม่มีไม่เรียกว่าเรียกว่าชิบหายแหลกลานนี่จะเรียกอะไรอ่างั้นนะมันสูญเสียยิ่งกว่าสูญเสียเนี่ยนะมันมันมันเสียยิ่งกว่าเสียอีกก็คือเสียอะไรเสียโอกาสที่จะได้ตรัสรู้ธรรมนี่นะ